ไหนอยู่ที่กาที่ใจสมาธิก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ตามผิดตามกาลังเรานำมาที่นี้คือเจอมาให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นสัญญามันก็เกิดมีเกาะมีที่ถึงของใจใครที่มีจีตขึงของใจแล้วคนนั้นก็สุขกาสบายถึงโลกจะวุ่นวายแก่ปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันเป็นเรื่องของโลก ใจของเราที่เจนมารู้แจ้งเข้าใจจริงอย่างเรามันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยไม่มีอะไรที่จะมายกเว้นใจอีกนี่คือการปรฏิบัติจิบัตเมื่อทุกคนได้สดับแล้วฟังทำบรรยายที่อธิบายมาจงนําไปที่นี้ที่เจนมาศึกษาเป็นใดที่เป็นบเป็น ทางมัตทางดำเนินของใจผัวต่างหน้าต่างตาปฏิบัปฏิบัติไปสิ่งใดที่เป็นส ม, มุิไทยไปมันถูกหมดมันผจิดหมดต้องนำไปกำหนดพิจารณาอะไรที่เป็นอาจเป็นธรรมนำริงนั้นไปปฏิบัติปฏิบัติเมื่อทุกคนสนใจใฝ่ฝันต่างหน้าปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน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 มารักษาตายใจของเรามันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้คนที่สนใจอยากจุอยากสบายจะต้องมาพฤ่งกายมาพึ่ใจของตัวในทางพุทธศาสนาถ้าหากมาพึ่งไปตามเรื่องของศาสนาปล่อยให้อย่างที่เหลือดของตัวอยู่อยู่ไป กิเลสเป็นสาสะดาแล้วมันไม่มีเวลาจีตใจสงบสุขได้เพราะกิเลดมันไม่มีเงินพอได้เท่าไรก็อย่างได้มากเหลื่อยไปเลยมีฝั่งมีฝาหาความพอความสงบย่างจิตใจของคนโดยวมากมันก็พอมองเห็นแต่มันไม่ พับเจณฑ์ในเห็นกินให้เป็นเกิดมา <c oughs> ทุกคนก็ไม่มีเสื่อผ้าไม่มีเขาของเงินทองอะไรมามาจะตัวหนังหุ่มกระดูกเถ่นั้นไม่มีอะไรจิตตัวมาเหมื่อใตายไปก่าทำนองเดียวกันลมบัต้าจะฐานที่หามาไว้หาัน้อยขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะขนไปได้ แต่กายของตัวก ну. oh, yes. ็เป็นเผ่าเป็นถาดเป็นย oh, yep. ินเป็นน้ำไปตามผาดของมันทุกคนก็สหับดีอยู่เรื่องเหล่านี้แต่มันไม่เข้าถึงจิตถึงใจจริงจังความรู้แบบนี้ทางศาสนาถือว่าอิจาคือรู้ไม่จริงรู้ผิดรู้ผูผิด เมื่อเราถึงจิตถึงใจของตนจริงจังมันก็เลยหลงอยู่ที่แกใจให้หายจากความหลงไม่ได้รู้หลงหลงทั้งรู้อยู่แต่หลงหลงอยู่ไม่รู้เป็นศารเชิงธรรมารรู้แบบนี้มันมีไปจำมนุษย์ทั่วไปพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านรู้ท่าไม่รู้แบบนี้ ความรู้ของท่านมันเห็นไปจากชาติเกินจริงจังจิตใจติจดจิตใจค่องแลวยึดถือในสิ่งอันนั้นมันจกไปหมดไปไม่มีอะไรสงสัยความเป็นจริงอย่างมีอย่างไรท่างก็ทราบตามความเป็นจริงอย่างนั้นมันผิดกันตรงนี้ทา่านจึงอยู่ดีมีสุขไม่เกสียชีวิตแต่งหาราคะเหมือนพวกเราทั่วไปการฝึก จิตสุดใจเองทิ้องอาจทิ้งทำจริงจังมันเห็นอา น, นิสงในตนท้องตอนและทำให้คนอื่นทั่วไปได้รับความสุขความเย็นความสบายไปด้วยเพราะท่นานเป็นคิดเป็นทยอยู่สถานที่ดใดไม่เคยทำทุกทำโทษให้เจอสัตว์และบุคคลอื่นๆท่นจึงเป็นสุขะโต ในเหนือเมือเวลาท่านอยู่ก็เป็นสุขะโตไปก็เป็นสุขะโตมาก็เป็นสุขะโตเพราะท่านอยู่ดีไปดีมาดีไม่มีอะไรที่จะสวจะเสียเหมือนพวกเราท่านท่านจึงเป็นสุขะโตในตัวของท่านและบุคคลผู้อื่นที่ได้เกี่ยวข้องคนดีมีเพียงยึดหน่อยก็มีคุณค่ามีสาล เหมือ น, นเช็ดซอยเล็กแต่น้อยก็ราคาสูงท่านจะดีจะวิเศษอย่างนั้นก็เพราะอาศัยต่างหน้าต่างตาบากบันประพาติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ท่านบอกท่านห้าม่าเหละไม่ทำจริงเหล่านั้น เราก็อพยายามละพยายามเว้นไม่เอายี่เลียดกันหาเป็นาศาสดาคือไม่เชื่อเรื่องท้องใจอยากทำอยากพูดอยากคิดเชื่อเรื่องของอัดของทมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าทำไปผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตอนนั้นไม่มีใครอื่นเขาจะมารับให้ ตัวของตัวเองจะเป็นผู้รักกำชั่วนย่างนั้นกลัวกรำชั่วเหมือ น, น, น, น, นคนที่อาบน้ําแต่งตัวสะอาดแล้วกลัวของโสกศกแต่สามารถที่จะไปหยิบยกแบบหหนน ก, ก ห, า ม, หมามตึ้งอย่นั้นพอลงโสกศกมันเน่ามันเนิ่นกมชั่วถั่วไป ในหว่าทางกายทำบาจาผูดใจคิดท่านที่เป็นบัณฑิต <c oughs> เป็นนักปราชญ์มีจิตใจสะอาดอาในออจในธรรมกัททานองเดียวกันท่านไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องในความชั่วต่างๆเลี้ยนไม่ทำไม่บำเพ็ญสิ่งที่ชั่วสิ่เสียเพราะถือว่าเป็นของเน่าของเหม็น ของไม่เป็นสาระประโยชน์มีพวกเราทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่มีกายมีใจเหมือนท่านแต่ก็เหมือดมิดปิดบังเอาหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขความคิดความปรุงของใจก็เลยบงังคับออกมาทางวาจาให้พูด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 ใจยังไมสําระสาสังมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นเหมือนกันกับเถือกมันที่เรา ย, ยังไม่ต้มเลยเผาให้มันสุกถึงมันไม่เบื่อเรารับทานลงไปมั น, กนเกาะคันพอหรือเป็นพิษเป็นภันยในหน่ารับทานให้แต่เราไปเผาใไปต้มให้มันสุกแล้วตัวเถือกหัวนั้นมันหัวนั้นเนี่ยมันไมีรส ทำรถเกลื่อนอะไรมีแต่เกนประโยชน์เกิดาวเกิขันของปู่จีรัทธ์ลงไปแถานั้นนี่เรื่องทำของพระพุทธเจ้าก็ททำลองเดียวกันทุกคนทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นเวลาถ้าปัญหาเกิดมาแล้วกว็ทราบโกรเกิดขึ้นมาแล้วกว็ทราบ แต่ไม่มีปัญยาที่จะละจะถอนและไม่ได้สนใจปล่อยให้มันเกิดอยู่ใบบ่อดผลที่สุดทำหนาแน่นของความขั่วมันก็หนาแน่นสินไฟเหมือนกันกับลานวัดของเราไม่ได้ปัดกวา ใ, าใบไม้มันคีวันตกลงมาทีนี้คือหน่อย หลายวันเช่ามันกะเต็มลานวัดตัดกวาดก่อม่ค่อยจะไหวเพราเราไม่ได้ทาความสะอาดอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราทําความสะอาดอยู่ทุกวันมันตกลงมาเราก็ซ่า้างตัดออกไปกวาดออกไปให้สะอาดเราจะเดินเข่นมันก็สบายทางหางมันสะอาดนี่จิตใจของพวกเราท่าน สติขาดสติปัญญาขาดธรรมะของพระพุเ จ, จากก้ากับธรรมนองเดียวกันปล่อยให้สัญญาอารมณ์ต่างๆไหลทับถมโจมตีจิตใจอยู่เรื่อยไปในสนใจในการชำระสะสางตัวเองในโทษคนอื่นเรื่องคนอื่นที่ชั่วสี่เสียมองเห็นแต่มันเป็นกับตัวมองไม่เห็นผงขาตาตัวเองด้วยไม่ทาบวจะแกไข วิธีใดอาศัยคนอืนอ่นแก้ไขให้แต่ถ้าแก้ไขไม่ถูกจะริด น, ดนิสัยกบโกษอีกลำบากเราต้องเห็นเรื่องชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีพยายามบังคับบัญชา <c oughs> ที่มิติเกรตามธรรมนะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เหลือววิสยัยท่าสั่งใจประพฤติปฏิบัติ จะเปนจะเห็นจะรู้เพราะธรรมะในผูกขาดว่าห้คนนั้นปฏิบัติใหตคนนี้ปฏิบัติคนนั้นจะมีจิตมีส่วนคนนี้ไม่มีจิตมีส่วนไม่มีภาาตังนาตางตาภาวนาละี่เลอจริงจังทุกคนมีสิตที่จะเห็นจะเจ็นในจิตในใจจิตใจที่เห็นจิตเป็น อามันฉุกมันสบายมันเย็นมันไม่เป็นทิพเป็นไท่เกิตัวของตัวเองใคส่านที่ใดยัง่าองอาจร่างานพาจิตใจเบิกบานจิตใจมีสั่วทุกคนข่าเขียน เป็นธรรมะในจิตในใจจะยินดีเลื่อมใสในตัวของตัวเองและเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าถันหรือสาวกอุสรายเกิดการหาถ้ามีความสุขความสบายอย่างนี้อาศัยธรรมะที่ถันนี้สอนเอาไว้เราจึงใดตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติจึงเห็นจึงเจออย่างนี้ตราบแล้วตราบเรา เรื่มใสเต็มใจน้อยอาจทำที่ท่านแนะสอนเขียงเห็นนิดหน่อยสุขสบายนิดหน่อยละกิเลสได้นิดหน่อยก็ให้ทํามสุขความสบายประทับใจอยู่นะเมื่อละได้ขาดมันจะสุขจะสบายขนาดไหนต้องบกพอมีทางที่จะพิจารณาไปพอมีทางที่จะ เชื่อเลื่อมใสในตามประพฤติปฏิบัตินี่ไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้จิตใจใค้มืดบอดอย่างไร็มืดบอดมาอย่างนั้นมีครูมีอาจารย์ไแน่สอนขนาดไหนคอยใจมืดบอดมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันกับคนบอดถึงถ้าพิดใช้จันดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามันมีอยู่ แกก็ไม่รู้ไม่เห็นกับเขาพอมันบอดมันมืดมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ททำนองเดียวกันมืดบอดชนิดนีด้ไม่มียาอันอื่นที่จะกำจัดให้มันสวา่างสา ว, ว้ยได้นอกจากอัดทำที่พระพุทธเจ้าทรวงนี้สอนเท่านั้นมารักษาหมันทีนิดที่เจอนนะ ทำจิตทำใจให้สงบการฝูงซุ่มคิดนึกคิดตามสัญญาอารมณ์นั้นมันไม่มีความสงบไม่มีความเย็เย็นห้เราควรจะเห็นคิดเห็นไจทัง้งหมนไม่ควรจะส่งจิตไปตามสัญญาอารมณ์ ถ้าเราหักห้ามเอาไว้ไม่เชื่อเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มาดูย่ยย่จิตใจตั้งมั่นบริกรรมก่อตามกาหนดลมหายใจก่อตามเอากันจริงจังมันจะมีทางสงบละงับหจิตสงบละงับรวมรวมได้มันถุกมันสบายพอถอดถอนมาที่นี่ที่เจรนาอะไรสิ่งนั้น ก็จะจเก็มใส่ัดเจนในจิตในใจเรียกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งต่างๆที่ชัวสงสัยคขับไล่กิเลสการหาที่เคยของจิตในจิต ใ, ในใจให้หลุดให้ตกออกไปพอปัญญาเข้าถึงเรื่องกิเลสกันหาจะต้องพังออกไปหลุดออกไปได้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 ที่จะแก้ไขให้ถาตกออกไปขาปัญญาจริงจังเจ้างี้นิดหน่อยรู้ไม่มากเท่าไรกว่าสามารถแก้ไข่ทีตชข่้ผีเสียให้ตกให้หลุดไปได้จิตก็มีความสุขความสบายนี่คือเรื่องปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้สามารถฟาาราบปัญิเรือขาะขอพระอาศัยจิตใจมีสมาธิขานนักแน่น รวมรวมของใจเป็นเพื่อนฐานที่จะให้ปัญญาสามารถคิดอ่านแจไขจิตใจที่คล่องจิตต่างๆให้ตบไปถ้าเรามีธรรมะในกายในใจข้างเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมะเพราะที่จะเปืีนสติไม่ให้เหอให้หลง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 ความเป็นจริงของมันสาจีจีทุกขาช <c oughs> าติความเกิดเป็นทุกขาที่เจริญนะจริงจังแล้วมันเป็นสาเหตุสําคัญอย่างทุกการต่างที่จะเกิดมีขึ้นก็เพราะอาศัยชาติความเกิดเท่านั้นถ้าไม่มีความเกิดแล้วแก่มันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีที่จะมาเบียดเบียนหนารอน อ่อนแฉ่งต่างๆไม่มีทุกข์จนลำบากยากเย็นต่างๆมันก็าหายไปความแจ็ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายก็ไม่มีนี่ล้วกลัวจะตายเกิดแล้วไม่กลัวเราไม่ดับเหตุของมันแต่อย่าได้ผลคือความสูกความสบายมันจะได้ผลมาจากที่ไหนผลมันเกิดขึ้นจากต้นของมัน เหผลอะไรมันเกิดขึ้นจากต้นทางนั้นผลมะม่วงมะพร้าวขนนถ้าไม่มีต้นเนอะไม่มีผลมีต้นเพื่อก่อนถึงมีผลส่วนของทุกก็คือส่วนของวามเกิดเราทำอย่างไรเราชิ้จะไม่เกิด พระพุทธเจ้าควสอนการดับเกิดเกิดมาจากอะไรท่านควสอนในกหรับกําราท่านสอนเอาไว้ท่านพิจาณาอย่างไรท่านจึงดับความเกิดของท่านได้เราก็ใช้อ่านใช้เห็นตามกำลังกําลัง แ่มาเกิดมาแล้วไม่อยากให้แกให้ตายนั้นมันห้ามไม่ได้พยายามที่จะนาให้เห็นตามเป็นจริงของมันแต่เกิดมาแล้วความเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายในวันใดกววันหนึ่งมันจะมาถึงเราใน่ต้องผูดเอาตายที่หมดสักติที่สร้างผีต่อ หมดลมหายใจระยะที่เรามานั่งอยู่นี้มันก็ตายไปความตายไปของกายของใ จ, งใจมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาแต่เราไม่ได้พิจารณ า, าความตายเหล่านั้นเราไปกลัวแต่ใจหมดลมหายใจเท่านั้นความจริงมันตายไปความเวลาก่ตายไปขาดทั้งสี่มันก่อตายไปอยู่นเรื่ยๆแขนทั้งหามันก็ตายไป ตามหน้าที่ของมันเห็นแล้วถายออกอย่างนี้ยินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมันออกไปหมดทุกอย่างแต่แล้วก็ไม่กลัวเพราะสันติความผืบต่อของมันยังมีอยู่ถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาไปเสียแต่เมื่อตายหมดลมหายใจเรากลัวกันกลัวเพาเหตุใดกลัวเพราะความไม่อยากตายควาไม่อยากนี่ย เป็นสาเหุให้เกิดทุกข์ในจิตในใจอันหนึ่งทุกข้องใจไม่สามารถที่จะดับได้เพราะเป็นเรื่องของขันทุกข้องใจนั้นพระพุทธเ จ, จ, จ้าบ่งบอกและแนสอนให้พวกเรากำจัดฝ่าเป่าออกไปเคยหมดเคยสิ้นอย่าให้มีทุกข้องใจเพราะเป็นจริงที่สําจัดขับไล่ได้ ในเนื้อวิสัยทุกท้องใจก็เกิดจากปัญหาทั้งสามท า, สาาทางศาสนาทางธรรมะทางพระทาง่าว่าสมุทยัยคือปัญหาทั้งสามตามมาปัญหาความยากในาจคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในนี้วันมีเวลาเพียงพอ รูปคิดคิดคล้องในรูปมากกว่าคิดในรูปเือ๋รูปนี้ชอบรูปใหม่พอใจในพะิจาจนาในธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าพิจราในธรรมรูปที่เราคล้องและยึดถืออยากได้มันเป็นรูปอะไรกันแนะ่ได้มาแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป ในตัวของเรามีหรือไม่รูปแบบนั้นหากเรากลั่นคิดคุยนากันจริงจังรูปส่วนใหญ่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ ท, ที่คล้องติดคิดปรุงกันนั้นก็รูปตรงกันข้ามสัตว์ตัวผู้ก็ยินดีกับสัดตัวเมียมนุษย์ตัวผู้ก็ยินดีกับมนุษย์ตัวเมียอีกเหมือนกันตัวเมียก็ยินดีกับตัวผู้ รูปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถึงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คอยจะมาบำรวงรูปเหล่านี้มันรงอยู่ให้เขายินดีให้เขาราดถนาความหลงไหลใส่ฝันของจิตของใจยินดีในรูปรงกันข้ามมันเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีอาบมีธรรมในใจจึ ง, งหลงไหลฝ่ายฝัน่าที่อาบมีธรรมในจิตในใจที่เจนนาตามธรรมไหมิงจังรูปสักแส่ารูปมีความเกิดขึ้นมีความแปรปวนและแกสลายเหมือนกันหมดรูปนอกก็เป็นอย่างนั้นรูปในคือตัวของเราเองก็เป็นอย่างนั้นรูปอันนี้ ศาสพิจายนาด้วยใจเป็นธรรมมันไม่มีการลุ่มหลงมัวเมาเถิดเชินติดข้องหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจะมีเข่าของเงินทองมีผู้มาปฏิบัติอุปถากดูแลารักษามากขนาดไหนจะห้ามไม่ให้มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันคือไม่ให้มันแก้มันก็ห้ามไม่ได้ ไม่เหรมันเจ็บมันตายมันก็ห้ามไม่ได้มันจะเต็มใจตายหนาที่ของมันอย่างนั้นมันไม่หลงไหลใส่สันไม่มีรักไม่ชอบใครรูปอันนี้ถ้ามีจิตมีใจแต่อาศัยรูปอันนี้อ่ะที่เราลุ่มเราหลงเพราะจิตใจในมีอาจมี่ทำมันจะคิดคิดนี้ที่เจนาะหาสาเหตุของมันเลยคิดกัน กว่ามันเจนเทอรูปเราจึงหลงในทิ่ว่าจิตของเราหลงมันจึงไปยึดถือรูครังง้งๆที่แต่ก่อนเราไม่เห็นเราก็ไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีความอยากได้พอไปเห็นเขา้ารูปที่เราชอบใจมันเกิดกำหนัดยินดีเกิดความอยากได้ไฟสัสนถ้ามันหนอกเขา้าไม่มีอาจมีทำห้ามกัน้นจิตใจ มันก็ไปใหญ่เ็นกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้รูปนั้นมาตามปรารถนาไม่มีความถูกความสบายให้บางคนผูกคอตายกินยาตายเพาอยากได้รูปอันนั้นไม่ได้ตามปรารถนาเกิดทุกข์เกิดโทษเป็นข่าตัวตายสมหรือบางที รูปนั้นที่เราต่องฟารแย่เจะพองรูปเขาเขาไม่จาถนาเรากเราที่หลงไหลใส่ฝันพ็เลยจะทําททิึงได้สิ่งหนึ่งขึ้นเิดทุกเกิดโทษให้เขาจับกลุมกลุมตัวกกมีประหัตประหารตายโนมีมันเป็นอย่างนี้นี่ก็พอหลง ได้จิตในใจเในมีอดมีทำถ้าเราพิจารณาเรื่องของรูปมันเหมือนกันใน ร, รูปของเราหรือของท่านที่เรียกว่ารูปมันเหมือนกันทั้งหมด้าจิตรูิเห็นเด่นชัดเป็นจริงอย่างนั้นจะไปหลงไหลทําไมกันรูปของเรามันมีอยู่เรามีรูปเป็นทุกข์เป็นโทษขนาดไหน มีรูปอื่นทำไมเกี่ยวข้องมันจะเป็นอย่างไรมันก็ทราบแต่ตัวข้องตัวก่อนรักษาไม่ใหุ้ใจไม่ใหุ้เจ็บไม่ใหุ้ตายในได้รูปอื่นที่เราอยากได้มันก็ทํานองเดียวกันทําไมจึงไปหลงไหลฝ่ายฝันมันมีทางที่จะหักแห้กตัดเตือนตัวเองเหวี่ยให้ถอยใจนี่มันในใส่ไข่คิดเรื่องอาจทําอย่างนั้น เสียงก็เหมือกนกันมันใฝ่ฝันมันยากได้เสียงนั้นท้เลาะเพราะที่อย่างนั้นอย่างนี้คนกี่เสียงเงินเสียทองไปเพราะเสียงนับไม่ได้เพราะคนลุ่มหลงในเสียงในเกลื่อ้าคนรู้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใฝ่ฝันหลงไหล คนที่มีเสียงดีๆโลกเขาชอบก็เพราะหาจินเพราะเสียงก็ได้แต่ไปเรียนวิชาอื่นเสียงร้องเพลงให้เขาฟังท่านั้นขเขาจับจิตจับใจเขาใหยรังวะมีเงินมีทองมีเสือ้อผีของซ้า้สอยค่าเขามีโยงชมชอบเสียงก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ผู้จตกอยู่ในขี้เหลื อ, อ ก, กันแหชอบจิตคิดปุงกันเสียงของเรามีหรือไม่มันก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ยินดีพอใจในเสียงของเราลเลยอยากไปฟั ง, งเสียงทางนอกมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นโทษมีหมายถึงตามมรรคุณตามอยากในตามมรรคุณรส อ, อื่น สิ่อื่นก็พอหาดมได้ในลำบากอยากเย็นเท่าไรแต่ก็จิตคล่องเสียหายได้เหมือนกันรถส่วนนั้นดึกสิ่นส่วนนั้นด้วยส่วนใหญ่ที่มนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปติตซ้ำรถตรงกันข้ามมันชอบสัมผัสเหมือนซ้น เพราะเบอหมอนเคยนั่งเคยนูนออนดีเท่าไรมันก็ยังไม่เข่าเข่ากับสัมผัสของคนนี่เคยจิตที่เ ม, ม, ม, มืมื่นิดขาดจากอาจจากธรรมมันลุ่มมันหลงอย่างนี้เมื่อมันหลงมันยินืีกับสองหาเมืเ่อแสวงหาไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ได้มฮมก็เกิดทุกข์เพราะสิงเหล่านั้นมาอยู่ในการบังคับบัญชา มันจะเป็นไปตามเรื่องของมันขาดขันตัวของตัวบังคับไม่ได้รูปอื่นเสียงอื่นเรื่องอื่นคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องมันก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดทุกข์ขึ้นนี่ท่านเดียวการ ม, มาันหาควาที่มีกา ม, มาจันหาความอยากในการอย่างนี้มันเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจท้าไม่แกไข ใครแกไขก็คือแก้ไขตามธรรมจิตพระพุทธเจ้าเ น, นีนยนำสั่งสอนพี่เจนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเ จ, นะเจนะเป็นธาเสมอทําง ท, ทั้งเราทั้งทรามมันต่อขาดออกไปตกออกไปเพราะจิตรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นมันปล่อยมันวางแตยังไม่ขาดไม่ล ะ, ไ ม, ละไม่วางที่แจนะมันเรื่อยไป เมือนกับเราเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราจะต้องเดินเรื่อยไปหรือเหมเรารับทานเราังไม่อิม่มเราจะทานเรื่อยไปเมื่อมันอิ่ม่ต้องบอกมันหยุดมันเองมันจ่อยมันเองืถองอาหารจะมีเหลืออยู่มันก่อทานไม่ได้เพราะมันอิม่มเราเดินไปถึงที่ถงถานทึ่จะบังคับให้ไปได้อีก มันก็เหตุรพรถึงจุดมายปลายทางที่เราตั้งใจแล้วมีการที่เจนธะธรรมะจีภพุทธเจ้าสอนเรื่องรูป ก, กับธรรมนองเดียวกันถามพี่เจนาแต่มันถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันทราบจากตัวของตัวเองรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีอยู่ในโลกแต่มันก็อไม่คล่องจิตคิดปรุงมันไม่หลงไหลใส่ฝัน มันมนบ่าบอเหมือนเราถี่ยังไม่มีธรรมะในจิตในใจมันจึงอยู่สะดวกสบายในเป็นภัยอันตรายในจิตในใจของตัวนี่คือการละตามมาตัญหาด้ยวยการที่เจนาอัดธรรมราวะตันหาก็เป็นจริงที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษ ราวะคือพบคือความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของพวกเราพวกท่านทำนองเยืกันคนที่หวงรบดั บ, บ, บหายไทําในอดีตที่ผ่านมาหรือครังหน้ามันก็จะเป็นทำนองเยืกัน้นความผิดข้องในพบพอถือว่าพบที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ถึงมีทุกข์มีโทษก็ยังพออาศัยอยู่ จึงจิตจึงข้องไม่อยากหนียินดีเต็มใจอยู่ในทุกมีซีซามจิตคล่องของจิตของใจไม่อยากไปที่ไหนเกิดขอเพราะถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีไม่อย่างนั้นจะอยากไปเกิดเป็นเกิดพระบุตรเียบพรธิดาคิดรงไปอย่างนั้นถ้าไปนิพพานแล้วคงจะไม่มีสุขมีความสบายอะไร คงจะง้อยเงาฮะทักขวกเกลี่ยฝุ่งไม่ได้ความคิดความปรุงในจิตในใจคนที่ยังไม่มีอาจมีทรมมดคิดปรุงไปอย่างนั้นคิดว่าท่านจะไม่มีความสนุกสุขสบายอาะไรเพราะนิทานนั้นไนม่มีตัวมีตนนิทานนั้นผันผิอว่า นิพพานังประมาณสินงดังคือศูนย์ไม่มีทีเจรคอนไม่มีหนังให้ดูไม่มี้รูอมีเสียงส่วนอื่นมันคงไม่สนุกทุกคนที่เกิดมาในที่แกนาธรรมจิตใจในอย่างถึงอัดถึงทำจริงจังไม่มีใครปรารถนาะอยากไปถึงพูดก็พูดอย่างนั้น อยากไปนิพพานแต่จิตใจจะอยากไปจริงจังนั้นไม่มีวันเวลาถ้าอากมีคนนํายานพาหนะมาใครจะไปนิพพานไปเยอนี้ไปไหมคนส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นยานพาหนะอันนั้นเพราะไม่อยากไปกสั้นติดข้องในโชคที่อยู่ที่อาศัยของตัวมันจ น, นอย่างนี้พบจึงเป็นเรื่อง สำคัญอันหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจเรียกว่าภาวะตัณห า, าคือความจิตทบทำเป็นอยู่ของตัวยวิบภาวะตัณหานั้นเขาไม่อยากมีอยากเกินในจิตในใจมันมีเรืยกัรทุกข์คนไม่อยากมีอยากเกินอะไร ไม่อยากมีอยากเป็นจริงที่ใจในป่าธนาเช่นความแยแล้วไม่อยากแย่ความเสียบล้วไม่อยากเจ็บความตายล้วไม่อยากตายไม่อยากในสิ่งที่ไหนมีอยากเท่าไร่มันก็ไม่สมป่าธนาใเกิดมาแล้วไม่แย่ไม่ตายมันมีที่ไหนแต่ทําไมจิตใจจึงหลงไหลใฝ่ฝันจึงเกิดบ้าวอย่างนั้นเราควรจะที่นี้ที่แกน่าแกไขมัน ให้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อแก้มันตกในริ่งเหล่านี้มีรสความดับทุกในใจจะโผล่ขึ้นเกิดขึ้ น, นเห็นขึ้นไม่เป็นทุกเป็นโทษเหมือนก่อนทัง้งสี่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแต่จิตใจก็ไม่ไป่ฝันลหลงไหลไม่แวะข้องเพราะทราบดี ด้ยวยการที่นที่เจนาด้วยสติด้ยวยปัญญาเพียงไม่ลหลงไหลเพียงไห่จิดขอ้องแล้วเมื่อเึองเหานี้ไม่จีบข้องในจิตในใจทุกภัยไม่มีใ น, ในใจิตใจมันก็สุขสบายมันไมมีทัยอันตรายเหมือนกันกับกายในนี้โลกจะไปมาเดินเหนหนั่งนอนที่ไหนก็สะดวกสบาย ถ้ามโรคภัยภายในกายถึงร่างกายจะว น, นี้ทีมันอยู่ต่อตามมันจะไปไม่ได้แข็งขายกไมขึ้นหาโรคมันหนักเข้ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราโรคภัยสำคัญกว่าคือเรื่องก่เลสกันหาแผ่นจรให้ละให้ปล่อยให้ที่นี้ที่เจนะพยายามรักษาให้มันหายโดยอุบายสติสัญญา เหมือนที่นี้พี่แกนาสะสายเลื่อยไฟใจจะหายจากทุกจากโทษส่วนนั้นนี่คือการปฏิบัติใจของตัวทุกคนมีสิตที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้ถ้าหากตั้งจิตตั้งใจจะทำบำเพ็ญจริงจังเชื่อมัน่นในอาจทำคำสั่งสอนของผู้ได้จ้ากว่าเป็นมียานี่จะททำ คือธรามที่จะนำคนผู้บวชปฏิบัติให้พ้นทุกข์นโทษได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติ ก, กนันจริงจังมันจึงไม่เห็นไม่เกมนให้เพราะไม่มีเหตุที่จะให้เกิดผลทำก่อททำนิดๆหน่อยๆทำไปพอเสียในได้ผลเกิดขึ้นก่อนนิดๆหน่อยๆ ไม่สามาที่จะแก้ไขจิตใจสิจิตข้องหรือลุมหลงให้หมดไปฉะนั้นให้ตั้งใจที่นิดที่แจมาตั้งใจไปคิปฏิบัติรักษามีสศิปัญญาแนะีสอนตัวสม่ำเสมอความหลงไหลใส่ฝันอยู่ในจิตในใจนั้นท้ายปัญญาที่แจมนาะ อย่างจริงจังให้เห็นเหตุของมันเรอจะเดละให้เกิดผลสุดทางเห็นต้นต่อของมันเราจะละจะถอนจะแก่จะไถ่ไม่โกจะไถ่ไม่ได้ไม่ทราบว่ามันมาจากคิดใดทางใดมีการที่เจรณาการฝึกรักษาจิตใจ ทางศาสนา้ามานำความสุขความสบายความเยือกเย็นมาให้แก่กายแก่ใจท้องตัวแตนั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติสฏิจัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนขามุ่งมั่นตั้งใจกันจริงจังไม่เหลือวิสัย จะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจท้องตนจงพยายามกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็น ใ, ให้รู้อยา่าเกิดมาเป็นมนุษย์เสียชาติเป็นโมฆะบุคคลคือหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ความหลงไหลใส่สันใปในรูปเสียงอย่างายตา่างๆ สัตวั่วไปมันก็มีได้กามกินการดื่มการผสมพันสัตว์มันก็มีเนื้อสันกับมือนกันใิดแตกแากสั่งอะไรสันงเราถ้ายังลงไหลาใส่ฝันยังบหาบอยอยู่อย่างนั้นล้วก็สัตว์ตัวหนึ่งอย่าให้มันมืดบอดพยายามทาให้มันหว่างจิตใจ มันจึงจะเห็นทางปลอดภัยเสือดับทุกข์ของใจได้เนื้อธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ ม, มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ใจของทุกคนทาา่าทางหน้าต่างตาที่เจรารักษาทุกโทษก็มีเกิจากที่ไหนเกิดขึ้นจากกายจากใจเท่านั้น เพราะนั้นการที่เจนาจายใจไปทางอาัดทางทำจึงเป็นเรื่องแก่ทุกแก่โทษแก่กิเลสปัญหาหากที่เจนายไปในทางกิเลสก็อันนี้แหละตัวการสําคัญที่จะทำให้พวกเราท่านเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้เราต้องการอะไรต้องการทุกข์โทษหรือต้องการความสงบเย็นไป ที่เจนะละสิ่งขี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบําเพ็ญสิ่งขี่พระพุทธเจ้าสอนให้บําเพ็ญเมื่อทุกท่านพยายามที่นี้ที่เจนะตามธรรมะขี่พระพุทธเจ้าสอนก็จะไปศพความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะ นั่นแหละอส้ควรจิตเลยล s ะไว้จิยงนยเบอ